พวกเล่าท่านทั้งหลายได้อราธนาศินได้ไหวพระเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วพวกเข้ากระด็อาราธนาศินพวกเข้าไหนสังเกตบ่ไปตามวัดต่างๆหรือว่าอาราธนาศินแต่รวยมากเดี๋ยวนี้ว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัดทายะติสรณ น, นตะจหปัญจศีลานิยาจามะเนี แต่ใบไปวางวัดมะยังพันเตติสระเนศสหาปัญจศีลานิยาจามะนะรักษาสิลขอสินสินหาคือกันเป็นอย่างยังเบาสองอย่างว่าวิสูงวิสูงกับปัญจศีลาี่มีความหมายจังใดมีความหมายดเดมีความหมายต่างกันคือวิสูงวิสูงรักณัดทายยะนี่พวกผู้ข่าทั้งหลายขอสามมาท่านศิน เป็นขอขอเป็นขอขอตั้งแต่ขอที่หนึถึงขอที่หาแต่มาย่างพันเตติชันเนธสนาปัญจศีล่าในญติย า, ามะพวกภูเขาทั้งหลายขอสามารถท่านศินทั้งหาขอร่วมกันนี่คืออราธนาศินมายังพันเตวิสุงวิสุงกับปัญจศีลาเนี่ยความหมา ย, ยคือต่างกันคือพวกเฮ้า ว, วิสุงวิสุงลักขณาทายญานี่ ผู้ขาจะรักษาศีลเป็นขอขอกเพราะว่าผู้ขาบ่มันใจจะรักษาร่วมกันอย่ามันขาดพ้อมกันเลยก็รักษาเป็นขอขอกพอขาดคอที่หนึ่นออพอเห็นพอจบยุ่งยุ่งตายแปลว่าขาดศรัทธขค อ, อที่ห น, นขาดแล้วป่าหน้าติป่าออพอล่องไปไปเห็นลองเท้าเขาง้างกระจากของสวมล่องเท้าเขาขีเขม้วยเราไปขึ้นเขม่วยลองเท้าเขา อันนี้แปลว่าศีลขาดคอที่สองอพ่อไปพูดเกี่ยวมาหลอกกอกแกกับสามีภรรยาลูกหลานผู้อื่นเา้าอภิดศีลคอที่สามไปขี่ตัวเขาอีกภิดขินคอที่สี่ไปกินเหล่าเขาไปอีกภิดศีลคอที่หาขาดเป็นคอค อ, อวิสูงวิสูงนะแต่มาย่งพันเตติสรารเนรสหาปัญจะเนี่ย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 บาทา้าวได้ฮาก็ะจัดได้ร้วยได้เป็นบล่ะบแมเจไดที่ละหายบสตางค์ทระบาดได้มันได้เป็นลอยๆพันๆโหลด เ, เพราะนั้นฮาววรจะรักษาศีลปัญจศีลในญาจามะรักษาศีลโดยความตังอกตั้งใจบรมเจรักษาเพียงแต่เป็นพิธีซื้อศีลหาไม่อย่างแ น, น่ผู้ที่บกเคยเขาวัดเขา ว, ว่าบกเคย มาสูวัดว่าศาสนาบกเคยได้เก่นคู่บานจานล้งปูล้งตาเบาให้ฟังเมแต่ว่าปานาติปาตาเว้แล้วมะเนี่ยปานาไปหาติปาตาใจยังไหนฮห้อป่เป็นของสนุดมุกไปเหร็นเป็นของเหร็นไปได้ไอ้อันนี้คือพระบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิข่าไปเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าคำว่าฆ่าคำนี้นะฆ่าผู้อื่นเน่ย บวา่าจะขาดสัดตเลยขาดข้นโมเมนต์จะขาดสัตว์ขาดสัต์ตัดชีวิตโมเมนต์ตขาดข้นก็คือสัตคือกันเป็นยัยว่าสัตในหลักธรรมคัมสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นว่าสัตตะแปลว่าผู้ข้องผู้ข้องอยู่ในภพในชาติตั้งแต่สวรรค์สั่นพมลงมาขั้นผู้ใดย่งางพระได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์แปลว่าสัตตะทั้งมัดเป็นผู้ย่งของอยู่ เออคือกินคืบกินคับงูเดือยงูเหลือมของในป่าท่นน่ะมันของมันออไปมันไปบพราะไรยังติดอยู่ในเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่อันนี้เรียกว่าสัตตะไปว่าผู้ค่องผู้ขล้องอยู่ในโลกเพราะนั้นยาขาสัตว์คือขาสัตว์ก็คือตั้งแต่มนุษย์เว่าระดาภัยเป็นสัตว์ทั้งมดอยู่ในโลกนี่ยย่าเบียดเบียนกันยาขากัน เนี่คาสตัตย์ชีวิตถ้าเห่าไปคาเขาแม่ยังว่เขาไปคาเขาแต่ว่าความรู้สึกของเขาที่ถูกคานะเป็นยังไงพอแม่พี่นองลูกหลานญาติโก้ของติกาของเขานะเขามีความรู้สึกอย่างไรเสียใจอย่างไรคาทว่าเห่าไปคาเขานะเขาก็โทษเป็นไผมาคาพี่นองลูกหลานพอแม่ของเห่านะี่ยก็ผูกพยาบาทอาฆาตไปแล้ว เอาเถอะถ้าว่าผมได้มาขากูจะนําไปขามานะันอีกฮะจองเว้นกันเลยได้บัตรเพราะนั้นเรื่องการขามัเป็นพันธีถ้าเขามาขาเฮ้าเฮ้าก็เสียใจถ้าเขามาขาเฮ้าเฮ้าเสียใจถ้าเฮ้าไปขาผู้อื่น่ะเขาก็เสียใจคือกันเอไปขาลูกกาลูกไก่ไก่กามขาก็เสียใจขั้ น, กกกก น, นวา่าเขามาขาพ่อแม่พี่น้องของเฮ้าเฮ้าก็เสียใจคืบกันพราะนั้นพระโพธิจเจ้าเพลนมองเห็นแล้วว่า การขากันเนี่ยบอเป็นโมเมนแนวดีมีแต่เป็นผิษเป็นไพ่มิแต่จองล่างจองผ่านกันมีแต่ผูกพยาบาทอาขาดจองเว้นซึ่งกันแล้วกันพระพุทธเจ้าบอกว่าปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิขาประทางสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการขา่าในการซิก ข, ขาคือขารจะรักษาจะบกขา่าตัดที่ตัดชีวิตผู้เอิญอันนี้คือศินขอที่หนึ่ง ข้อที่สองอทิย์หน้าท่าหน้าเวรามานีการขโมยผู้อื่นไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเมื่อเข้าไปขโมยของเขาไปขโมงง้อควายส้างหมาหมูม้าเป็ดไก่แอกไถ่ล่องเถ่าเสื้อผาเงืนค้าทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็เสียใจเมื่อเข้าไปขโ ม, ขเขขโมยเขาถ้าเขามาขโมยของเขาล่ะเขาก็เสียใจขึ้นกัน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 เพราะนั่นไงเขาลบซิิดซึ่งกันและกันเนอะอย่าไปล่วงลํากันเขาลบอธิธปไตยซึ่งกันและกันข้าเาไปร่วงลําเขาเขาก็เสียใจตระกูลของเขาเขามาล่วงลําตระกูลของเฮ้าเฮ้าก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นให้เขารบซิิดซึ่งกันแนละกันเนออันนี้คือศินขอที่สามขอที่สี่มุสาว่าธาเวลมานี่อย่าไปขี่ตัวเขาเนอะอย่าไปต่มตุนหลอกล่วงผู้อื่นเขาถ้าเขามาขี่ตัวเฮ้าต่มตุนหลอกล่วงเฮ้า เข้าก็เสียใจโบแมนบอกยังเอาเขาอกี่กลัวยอมท่องมากไอ้นี่แล้วไอ้ท่องอะเนี่ยบัตรห้าเบอร์แต่แต่ไม่เป็นกี่กลัวอยู่ทางในเข้าอันตีใจเพราะเขาก็เสียใจคานว่าเข้าไปต้มเขาเขาก็เสียใจเขามาต้มเขา้าเขาก็เสียใจคือกเกิดยังเข้าไปเขียนเซตไปให้เขาทั้งทีโบมีเงิน เ, เซ็กกี่ตัวเซ็กเดงเอ้งเขาก็เสียใจเมื่อเขาเออกไปเขา่า ธนาคารนะมันบอมีเงินท่นเขามาต้มเข้าหรือเปล่าเข้าก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั้นอยา่าอย่าต้มขันอย่ากี่ตัวกันอยา่าโกหกกันมันบแอนแนวดีเสียหายบุคคลยาวบนว่าอันในข้อที่สี่ข้อที่หาสุราเมรัยะอย่าไปดื่มสุราและเมลัยอย่าไปกินเหล้าอย่าไปกินยาบ้ายาหมากันชา ย, ยาฟินเฮโรอีนอย่าไปเสพติดในของเหล่านั้น ทว่าเข้าไปเสพติดในของเรานั่นแล้วสมองของเข้าปันป่วนขาดสติคนขาดสติคือคนเป็นบ้าปเป็นบ้าชั่วระยะในขณะที่มึนเมาเมื่อข้นขาดสติแล้วขาดความรับผิดชอบเพราะมันขาดสติมันทําความชั่วเลยทุกอย่างบาปข้นขาดสตินะขาพ่อขาแม่กระไรขาลูกขาเมีอะไรกระไรขาผัวกระไรขาลูกกระไรข้าม่วยของผู้ไรก็ะไร ลาลาบลาหลวงสามีภรรยาลูกหลานของไพรก็ได้เพราะเหตุใดเพราะมันขาดสติกี่ตัวไพรก็ได้เพราะมันขาดสติเพราะท่านศินขอที่หาเป็นศินอันตรายเนอะ เ, ออเมนอยูู่เป็นของส่วนตัวเฮาอเมืมาสื่อเหลามากินเลยสำหรับเฮาเมื่อใดเบียดเบียนผู้อื่นแต่พอกินแล้วมันเมา่มันขาดสติเพราะมันขาดสติแล้วทําความซัวได้ทุกอย่างเพราะนั้นให้สํารวมให้ระวังเนอะออกินหนามทรามดาบันบ่มนบมนเมาเด้ พอ ก, กินเหล่าเข้าไปมันเม า, เอาพอมันเมาแล้วมันขาดจิตเตะพอกขาดจิตเแล้วมันเหตุความสัวสิ่งที่บุกคลเบาเข่าเาเสียงบุกคลพูดกับพูดสิ่งบุกคลเปิดเผยกับเปิดเผยบ่หูจักสูงบ่หูจักต่ำอีกเส้ใส่เซ้ควัดเบิงเบิ่งเหรเสียมัญญาญเสียบุคลิกเสียสมบัติผู้ดีบุกคนกินเหล่าเหาอยากเป็นบ้าบ่าบ่บแล้วขั้นบ่เป็นบ้าเป็นยังอย่างกินเหล้า มันเมาเกืคือบ้านแมนบอสแมนฮนี่แหละเพราะฉนั้นขอให้พวกเข้าทั้งหลายเนอะจงพอเว้าให้ฟัง เ, เอาความจริงมาเว้าเด้อพอทำมาค้ำทำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพิทธเจได้ออกของหลอกๆมาเบาเอาความจริงมาเว้าันไปยังเข้าขาผู้อื่นสิเขามาขาเข้านะี่เออสินของพระพุทธเจ้าเขาเข้าเขาเาข้าเข้าไปขาเขาเขาเสียใจเขามาขาเข้าเขาเสียใจ เขาไปขโมยของเขาขอเสียใจเขาพาขโมยของเขาเข้าเสียใจสามีภรรยาของเขาเขก็ขักของผู้อื่นเขาก็ขักขึ้นกันเข้าไปกี่ตัวเขาเขามากี่ตัวเขา้าเสียหายเข้ากินเหล้าเม่าหเหรเฮ็ดความสัวขาผู้อื่นเอเขาเสียใจเขาก็เสียใจเพราะนั้นขอให้พวกเขาทั้งท่าติดง้มหลุกลาเนนะ้าแต่มาสูว่วัดว่าศาสนานายกเพลินผ้าม้าหมดนี่นี่แหะ มาสู่วัดหลวงพ่อกขาบอกเรื่องศิลเรื่องธรรมให้ฟังแนวจังสี่หาฟังไดนยากเลยเคยไหนเงี้ได้ฟังบ่ที่หลวงพ่อวอกให้ฟังยังสี่หลวงพ่อเอาความจริงมาวอกให้ลูกให้หลานให้สัทธาหยาดย่อมได้ฟังได้ศึกษาในเมื่อหูแลวว้วศิลหาไม่ประโยชน์มีคุณค่าตอนที้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้ผ่านน้ำสมาธานศิลนนะบานีน่า นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเอาเดี๋ยวหลวงพอ่อจะบอกยังให้ฟังสักน้อยเน้ยอยังค่อยไปผู้ก่อนหนะ้นาหน้าที่พวกข้าได้มาวัดมาว่าอย่างที่หลวงพ่อได้บอกแต่ขณะที่ขณะที่หลวงพ่อเทศนะจ ะ, จะให้มีเสียงอย่างหน้า อย่าไปทายลูกโทรศัพท์คันปิดไฟก็ดีคันผู้ใดมีโทรศัพท์ดังขึ้นออกออกไปคุยข้างนอกอย่าพาคุยกันในขณะที่หลวงพอว่พอวอลพร่ำนั่นที่พวกข้าจะได้มาพบมาเจอกันคันผู้ใดอยากคุยกันนะ้จูงแขนก็ออกไปคุยข้างนอกนะ อ, อย่ามาคุยกันแถวๆนี้แล้วก็กองทายลูกตีมีแฟดหามทาย พ่อทายเลยเสียสมาธิในการพูดแนะนำปวกเห้าอ้าวฟังนะวานนี้น้หลวงพ่อยวอยังให้ฟังอยู่ในความสงบเน่งเมื่อนี่เป็นโอกาสเป็นมือหลึกสันวันดีนายกสุพนร์ชัยมีนายกเทศบาล น, นาคา อำเภอเมืองจังหวัดอุดอรเพิินผ้าพวกผู้เฒ่าผู้แก่มาวัดชวมวัดมานูวัดอ่หลวงพ่อว่าเนี่ยหน้ายกของเพิินเนี่ยเพิินเห็นคุณนค่าสิ่ผ้าผู้เฒ่าผู้แก่มาชวมวัดว่าศาสนาหลวงพ่อกว่าเป็นคนดีนะอันนี้หลวงพอว่อบอกเมนหาเสียงซอยนายกได้นีินะเ อ, าอ้าหลวงพ่อบอกตามพ่อเป็นจริงได้ ยังว่าหลวงพ่อเบายัางมีความจริงยังของหลวงพ่อกะเบ า, เ า, เาน่ายกอผูใ้ใดก็ตามผ้าขาวัดเขาวว่าเนี่ยหลวงพ่อว่าดีได้อการผ้าไปล่งไปหากินเหล่าไปหาเรียงเหล่าอันนั้นหลวงพ่อว่าบอดีเอไปหาผ้าขาวัดเขาว่ายังสีแหละตีแหละหูจักศิลรู้จักถ้ำรู้จักสัมมาคาระวะอไปหาคู่บาอาจารย์ไปไหว้พระสวดมนต์มาจังหวัดหลวงพ่อหลวงพ่อก็บเบาให้ฟัง นี่นะาหรือคณะสัทธท า, ยยาธญาตโยมลูกลานเนอร์ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเนอร์ผัวเข้าเป็นฆราวาสญาตโยมอยู่ในบ้านในเมืองในการทำมาหาเลี่ยงฉีบกย่าไปขี่เกียรขี่คานอุทธธานะสัมปทาเนี่ยถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอัลละคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์สมบัตินาทีตำแหน่งของจบของเอาไว้อย่าไป รักษาไว้ที่ของที่หามาให้รักษาไว้อลักษะสัมปท า, านกัรรยาณมิตรให้คบเพื่อนมูฟูพวกเพื่อนที่ดีงามจังหน้ายกจริงๆล่ะเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีงามคล้ายๆกับเพื่อนเป็นผู้ผ้าหนําเขาซู้วัดว่าศาสนา เ, เป็นผู้ผ้าไปวัดไปว่าจริงๆล่ะอันนี้การรายาณามิตรปาปมิตรแบบห น, นึ่งเด้ ชวนไปหาสื่อเหล่าชวนไปหาขาดขั้นชาติยาวฟินหามไปเมืองเล่าไปหาสื่อยาบ้ามาขายอันนั้ป่าประมิด เ, เนี่ยปาประมิดพ่อจับก็มาวัดเลมื่อตะกูลเลยนี่แหละการระยาณมิตรเนี่ยคือประพาไปทั้งที่ดีแนะนําไปทั้งที่ดีทํามากค้าขายกับชวนไปในทั้งไปทั้งที่ดีบอกการระยาณมิตรปาประมิดเนี่ยไปวัดไปในทั้งที่ชัว สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าไปโคดไปโกงอย่าไปป่นไปจีอย่าไปโคดไปขำมุยผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตของเฮาอันนี้เรียกว่าเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบนี่แหละหลักธรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเพันวาริสสอนในขี่เกียรติขี่ข้า้นี้ข้อที่หนึ่งพนวาจากไหนอุตธานะสัมปทาถึงพร้อมใยความหมั่นความขยันอรคะสัมปทา เมื่อขยันหาทรัพย์มาได้แล้วให้รักษาไว้เนออย่าไปใส่สุรุ่ยสุร่ายอย่าไปใช้ลุยสุยแสกเพราะหามายากขอที่สามกัลยาณมิตรให้ครบเพื่อนที่ดีงามาหาเป็นผู้มิกลาเป็นกัลยาณมิตรขอที่สสำ ม, มาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทั้งที่ชอบอย่าไปโคดไปโกงอย่าไปป่นไปจีเขามาเลี้ยงชีวิตของเจ้าของเด้ออันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนแล้วก็เพินกระสอนอีก สําหรับพวกเข้าเป็นคราวาตัตญาตโนมมีม่พอมีแม่ให้หูจักสูงให้หูจักทำตาเนอให้หูจักสามมากคารวะเนะเอร์พอแม่ของเข้านี่คือไผ่วาพระเจ้าอ ง, องค์หนึ่งก็วาไดา้ใครขครบอกเป็นผูประธานพ่อเป็นผูประสตรพ่อให้กับเข้าตั้งแต่เข้าเกิดมาเขาเกิดมาจากไผเกิดมาจากพอจากแม่พ่อเกิดมาแหละพ่อแม่กับประธานุพ่อในลาบานี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 พอแม่เลี้ยงเข้ามาแล้วบ่หุจักบุญบ่หุจักคุนดาพ่อดาแม่ดูถูกเหยียดหยามพอแม่ประพาสุกพาจนพอแม่เลี้ยงเข้ามาแล้วตั้งแต่เด็กขาสองแขนสองสีสะหนึ่งขาสองแขนสองสมองหนึ่งพร้อมที่จะเข้าพร้อมที่จะโดดไปในทิศ ท, ทั้งสี่พร้อมที่จะวิ่งเต้ น, นขนไหวยมีความยันมั่นความความมั่นความขยันเท่าไหรอ เข้ามีสมองเท่าไดพยายามคนกว่าศึกษาหาทรัพย์สมบัติอยู่ในพื้นปฏิพี้ในพื้นแผ่นดินเนี่ย เ, เพื่อมาเลี้ยงชีวิตของเข้าขอบข้อของเข้าบ่เป็นเข้าที่งอมือเงาเท่ า, าพี่จะให้พอแมีหามาให้เด้พราเห็ุใดเพราะว่าเข้านีเา่เป็นตัวของตัวแล้วนี่แหละในข้างพระพุทธเจ้ามีเด้อในข้างพระพุทธเจ้ามีพร้ามพุนเดงหรือพร้ามคื อ, ค, อคือคนมีฐานะมีตระกูล คนแต่งานมาคนได้ลูกเก่าคนลูกไส้ล้วนคนไปได้ลูกไา้ล้วนพ่อต่อมาเมียก็เลยตายพ่อนันตายแลยกัลูกภูพอนี่ก็เลยเลี้ยงลูกไส้เก่าไส้คนแต่เพื่นหนึ่งหามันขยันหาเงินได้ได้เงินมันล้านนึงคนไปล้านก็หาปณะสมัยนั้นคนไปล้านก็หาปณะหาในบ้าน น, น่อยได้อ่าหลายที่เดียวเลยตั้งตนตั้งตัวได้มีคนมีฐานะที่เดียวในชุมชน วาเนผู้พอเนี่ยก็เลยเมียตายก็เลยเลี้ยงลูกใหญ่ขึ้นมา ก, ก็เลยแต่งงานให้ลูกใช่คนที่หนึ่งต่อมากกว่คนที่สองที่สามคนลูกใช่เขาคงจะเลี่ยงเลี่ยงกันนั่นะเอะก็เลยแต่งงานให้มัดตั้งเก่าคนเพอาแต่งงานให้แล้วบ่ายทั้งลูกลูกใช่ก็เราบอกว่าเออพอผมอกับมีครอบมีครัวแล้วเอเงื่อนกับพอเนี่ล้านนึงเนี่ แบ่งให้พวกผมสักผมจะเด็ดไปทํามากค้าขายเด็ดๆออกไปเอาเงินไปทําการค้าได้พอพวกผมก็มีครอบครัวทุกคนแล้วเออพอเออแบนพอพอนี่ยก็หามากกับเพื่อลูกนั่นแหละเอา ส, เสูเจ้าเสียเอาเท่าไรเงินเมื่อกี้เงินล้านนี่มืก่ม ก, ก, ก, กีพวกผมขอคนละแสนในบวชพอเออได้พอก็เกลยแบ่งให้คนละแสนะแสนละแสนละแสน เก้าข้นเหมือนกันเก้าแสนบาทเงินยังอยู่ตรงพอแสนนักบาทเอออยู่ตรงพอหนึ่งแสนนึงบ้ายได้กัพ่อได้ก็ไปค่าค้าขายค่าขายไปค่าขายมากค้ายๆว่ายังพวกเข้าค่าขายนี่แหละมันเงยขึ้นไปเมื่อต้องได้ใส่เงินได้บ้านีพอใส่เงินอีกโอ้พอพวกผมขออีกเถอะเออคนละมืออจากพอเดี๋ยวผมก็เลียงพออยู่แล้วล่ะพอเออเอา หาอีกคนละเมินละเมินละเมินละเมอนเออบาทนี้ยังเหลือเงินพอเนี่ยเมื่อ น, นึงบาหาแล้วเอกไปไปมันยังเห็นเงินใพออีกจะได้อีกคนละพันเ น, นบ่ยันนึงปันพันก็หาปหน้าเอาพอ อ, อพวกผมขอคนละพันนี่นะเงิ น, นเออพอก็หายเ่กไปถึงจงได้ก็กโลกมันบ่ล่ะก็ห้ค น, ล ะ, นละพันละพันละวันยังเหลือเงินอยู่พันเนึ่องบาท น, นี่ แต่พ้นก็ปฏิว่า่ยังลอยในพ้นปฏิว่าปุณณีบาทห้าเนกัพ่อตอมากกัดใส่อิรุยช่วยแจกได้พุพอก็ใส่ตาม้านั้นแหละก็คงจะแจกลูกแจกล้านไปน้ำแนนเอาไปมากเงินลูกไส้หนึ่งเอ่อพุพอเนี่ยู่ดโยน้ำลูกไส้ผู้หัยบาทเนี่ยเออผลูกไส้ค้นโตพ่อเงินเมืเท่านั้นแหละลูกสะไพ่กับว้ากันแหนกันแหนแล้วบาทนี่ เออปูเขาเนี่ยพ่อเข่าเนี่ยโมโหจักบ้านผู้อื่นเนาะบาดทางเงินเปิดแบงทอกันบาดทามาอยู่แต่มาอยู่แต่บ้านเข่าออลูกสะพายวาวเอาไปลูกสะพายคนโตว้าวขืนว่าเธอหนึ่งสองเธอขึ้นว่าพูปูเนี่กันโมโหในใจออนเอาไปอันนี้มันเขาไล่กูหนีเด้นนนดนนเนี่ยไล่กูหนีจากบ้านเด้เนี่ยเสนอเอาว่าเอาไปเอามา ก, กันเลยหนีเ อ, อ้ย สูบวายโยกูนี้เหนื่อหน่อยไปน้าบักสองคนไปเ่พอบักสองเนี่ยกะย่ม่มก็ดีพ่อโย่ไปอีสักพักหนึ่งเมี่ยมก็ว่าวขึเกาอีกปนปูบาทางเงินบแบงท้อกันบาดามาย่เมืนมาอย่แต่บานเฮาพราะจักบ้านอืเนาะเอผู้พอ่อผู้ปูนี่ก็ด้ยิ่นขําเกาอีกชนเอกคนออกไปเขาบอเราเขาไล่กูตัวนี้สนหนีคนออกไป ไปโยนบำบันบักที่สามอีกไล่ลงไปจนหอดบักเก่าลงไปเมียบักเก่าก็ยังเบาขึ้นเก่าลงไปหวกันเป็นหนงสี่กูอยู่กับไผ่่อไรตัวเนียวสันกูหาขอท่านกินดีกว่าแบบเหนียวสันเทาว่าเมื่ออะไรตายอยากกับลูกกูลงไปบาเดิ้เท่าแต่กันใดไปได้หมอโล้วนหน่วยหนึ่งกับไม่เท่าทั้งไ ป, เ, งไปเออไม่เท่าจหรับไปหาบ้านขอเมืองอินเดียขอท่านกินได้เด้ ขันหมาจีไรกัดยังสิก็ไม่เท่าเ่านปเลยไลหมาเอาลไปไลงหัวไล่ไข่บ้าสนีเราก็ซัดเซ่พ่ะเนจรไปเรื่อยๆไปเได็บผ่าจะมัดเป็นปุ่มจะสำหรับเป็นผานุ่งผ่าหมอมมันไปขอกินไปเรื่อยๆเอาไปขอไปขอไปเออจนไปหอดหนาวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ เขาไปเห็นนาวัดกันคือยังมาเห็นวัดนาวัดป่าหน้าคําน้อยสินะเอ้ยเขาไปกราบพระพุทธเจ้ากคหน้าทางเธอพันมียังแนวเสียหายเสร็จเลยภาพว่าประคนจนเลยมันมีแต่แนวอยากได้เลยมันหิวเลยมันบ ม, มีแนวสิกินเลยพึ่นจีมีแนวเสีหยหอยเยอะมากไปกราบพระพุทธเจ้าจักน้อยไะเขาก็เลยแวะเขามาแวะเขามาพระพุทธเจ้าไปเห็นอุปนิสัยของพระามเลยเห็นภามอย่างมากเพื่อเออเอา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 ในทินนตระกูลนุนละ่ะทํามากค่าขายก็ได้ลูกเก่าคน้นผู้ชายทั้งหมดต่อมาเมียเขาเลยตายาก็เลยพ่อเลี้ยงลูกมากแต่แต่งงานให้ลูกลูกก็ได้ครอบได้ครวบมดแล้วละ่ะบาห้าแล้วก็อยู่กับลูกชายคน้นโตเขาก็ว่าจังสันที่สองที่สามก็วาขึนกับผมก็เลยโอ้ําคั่นไปหาอยู่หากินตามลาพังดีกว่าจำซาหอดมือตายเนีย่ยไปหาอาศัยพวกนี้ี่ มันอุกใจมันทุกข์ใจครับลูกที่บอกก็แหนกแหนแบบนี่ทั้งที่ทรัพย์สมบัติเท่าก็บหายเขาจนหมดแล้วและแนบโมมีแ น, ว, แนวสียหายแล้วเขาก็ยังว่าจังซีอยู่หนีดีกว่าเก่ากับผมก็กอผู้ขาเขาพระพุทธเจ้ากได้ม่จังสีเหรอฮะขออยู่ขอกิดไปตามประสีภาษาพนะระพุทธเจ้าพูดว่าเออพร่ำ เ, เธอจะกล้าเว้าวไหมกลับไปหาบ้านเก่า ไปหาลูกช่ายลูกตะไคร้ลูกหลกานเอิรนมาวัดพี่น่องแล้วเดี๋ยวเข้าสิสอนข่ำวาวหาสอนค่ําก้าวสุดท่อนโพธิหายเจ้าว่วสิว้าว้าเาาา ว, าวา้ววโว้ยก้ากันพระพุทธเจ้าสอนหาย้าเว้าทั้งหมัดแล้วเออเอาฟังพระพุทธเจ้าก็สอนข่ำหายว่ดไปสอนสอนสอนหาจําได้ววได้เอาวววให้ฟังโน้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 มาได้ซังบาได้ล่าปาดนี่กษิร้างล่าลูกหลกูานทุกขู่ทุกคนเดีวก่อนที่จะไปละปาดให้มาเนอะบาดนบาในลูกหลานทัง้งหลายเขาก็มาแล้วนา ม, มาเนี่แหละแบบเขานาั่งยืนในสลางที่แหละผ้า ม, มันก็ขึ้นไปยืนจุดหนึ่งที่ละยู่จังฟอดจังเสียวเนาะไปอมีหมอโรคนี่ยหนึ่งแขนแอววจะไหมไแขนวาจะก็มีห่อผ่าคางหนึ่งวันไปแล้วก็มีไม่เท่าไม่เท่ากับซัก เออผู้มีไว้เท่าเะละเอาฟังว่าจะเนี่ภาพ ว, ว่าพาววังคนท่ลาก็ฟังเงียบจั่งเข้าฟังเทศจริงีแล้วภาพเขาบอกว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ขำกายยั่งย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถาน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 ไม่เท่าของพอเนี่ยไปไสเนี่ยหมาจะกัดเอาไม่เท่าวัดเวียงไปงวว้อควายจิัดเจมาจกัดเจ้าม า, กกมาส้อนอก็ไล่ดวยไม่เท่าไล่ไปโลกของเฮาเนี่ยเลี้ยงมาตังเก่าข้นบอลูจากบุญคุ้น้ามมาในความหมายของของข้ามก่าเนี่ยนไปเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบาก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 ลูกชายข้นโตก็ได้ยินลูกสะพายข้นโตได้ยินพ่อได้ยินก็กาบลงกับผื่นแล้วอพอยิ่มสาภาพผมก็บรได้ดูแลพอยดีมิรรมาาเต่าม่าค้าขายมิเต่าหมาหาเหลียงฉีบบุริคิดบุริดูแลพออยดีนะขออภัยขอโทษอย่างมากพอพยไผ่ว่าเลียงผมไม่่เรียงผู้เดียวอาจารย์เน่ลูกชายโต ว, ว่าทางผู้สองผู้สามผู้สี่พ่อ ผ, ผู้เก่าโอ้ย ผมก็จะรับเลี้ยงพอคัดไผ่ปลุเลี้ยงผมใช่เลี้ยงพอจากนั่นก็เล่นพี่น้องทั้งเก่าค้นเขาก็เลยหมุนเวียนผัดเปียนกันดูแลพอย่างดีตั้งลูกสะัยก็ให้ความเคารพอีกเพราะว่าพอบอกวานมันสูงไม่เท่าพอบไไ่อไดเออเพราะนั่นบ้านนีต่อมาบานเนี้ย ข้าก็ได้รับความสะดวกสบายกับลูกทั้งหลายที่ได้เรียงดูพอกผ้ามก็เลยบอกโอ้ลูกเอ้ที่พอได้รับความสะดวกสบายจังสีนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําเป็นผู้สั่งสอนพอในจากทินิมนต์พระพุทธเจ้าอมาฉันในบ้านเฮาแล้วจะไงเอาแล้วแต่พอว่าแล้วจะไงพอก็เลี้ยลูกทั้งหลายทั้งเก้าคนก็เลย จัดสถานที่ผู้พอก็เลยนมนมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาชันพัฒาหารจากนั้นพระพุทธเจ้าคนก็ได้มาเทศสนาวาการให้ลูกใา้ลูกสะใภ้ลูกหลานฟังต่างค้นกับต่างได้ศีลได้่้ำได้เป็นพระโสดาบันท้งมดัดนี่แหละอันนี้แหละ น, นี่ท่านหรือชาตรกเรื่องนี้บ๊แมนลงพอเวาคึ้ได้ขึขเเ้าได้ไม่ไดพระไตรปิฎกได้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 ทำตัวบอดีกับพ่อแม่ของเข้าลูกของเขาก็ถือเป็นตัวอย่างขึ้นกันกานว่าเข้าอยากให้ลูกเข้าดีก็เราต้องทําดีให้ลูกดูไอ้ยังหลวงพอ่อขึ้นกันอยากจะให้ลูกซิดดีก็ต้องทําดีให้ลูกซิ์ดูพ่อแม่ขึ้นกันอยากจะได้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดูเพราะนั้นขอให้พวกคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกขุทุกคนนะทําตนให้เป็นคนดีเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานต่อไปใหภาคนาะ การกล่าวการพูดในมือนด็กจเห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนรัไหรพระพุทธเจ้าพระถรำพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายตลอดถึงบุญบรมีพ่อแม่คู่บ้าจานขอให้คุ้มครองรัท่ายาตงโงมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยนในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกๆคนเทิน